ผู้ฝ่ายทำจะมาเร่งทาความเพียรกันเพราะการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องหลุดพ้นจากการกระทำความเพียรถ้าขาดความเพียรแล้วการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ และการที่จะมาทำความเพียรเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้ก็ไม่มีโอกาสใดเวลาใดที่ดีเท่ากับเวลาที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนคอยบอกทาง สู่การหอดทนจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราถ้าตายไปแล้วนี้ก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเป็นำนาจของบาป ก, ก็จะต้องไปเกิดในภพของอบายคือภพของเดรัจฉานของเปรตของสุรกายและของนรก โอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมในภพเหล่านั้นย่อมไม่เป็นไปไม่ได้เลยหรือถ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆก็โอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่มากต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระอรันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้ไปโปรดไปแสดงธรรมให้ฟังเท่านั้น เช่นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดพุทธมารดาที่ได้เสด็จสอนคดเจดวันหลังจากที่ได้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะแล้วหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสามารถที่จะใช้พลังจิตติดต่อกับ เทวดาทั้งหลายได้<ม>ยังได้ไปโปรดพุทธมาดาที่จุติอยู่บนสวรรค์แ<ม>สดงธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดระยะเวลาหนึ่งพันษศาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นขั้นพระโสดาบันอันนี้เป็นกรณีพิเศษต้องมี พระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีที่มีพลังจิตที่สามารถที่จะแสดงธรรมโปรดเทวดาได้เทวดาที่ฝ่ายธรรมก็อาจจะมีโอกาสบรรลุธรรมได้นอกจากนั้นแล้วก็ยากต่อการที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมเท่ากับ การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองจริงๆสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์โอกาสที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นของที่เกิดขึ้นได้ยากมากโอกาสที่จะมีพระพุทธศาสนาคือมีพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ วิมุตติธรรมและนำธรรมอันเลิศอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สามโลกก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดเป็นได้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคคาราบอันอันมหาศาร ที่ไม่มีโชคราบอันใดที่จะมาะเปรียบเทียบได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาของชีวิตเราของการเป็นมนุษย์ของเรานี้ดูดลอยไปโดยไม่ได้ตักตวงผลประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เพราะถ้าไม่ได้มีทั้งสองอย่างนี้โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากต้องบำเพ็ญบารมีต่างๆด้วยตนเองจนสามารถที่จะตัดสรุิเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ด้วยตนเองอย่างเจ้าชายสิทธัตถนี้เท่านั้ น, น นอกนั้นแล้วโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่จะไม่มีถึงแม้จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครบอกทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าได้ทั้งสองสิ่งนี้แล้ว ก็สิ่งที่จะต้องขวนขวายอีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่จะให้กับการศึกษากับการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าถึงแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมีเวลาด้วยมีเวลาที่มาศึกษาและมีเวลาที่จะมาบาเพ็ญบาเพ็ญความเพียรถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เอาพะพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของการของของการเวลาและของการปฏิบัติการศึกษา จึงได้ทรงกำหนดวันธรรมศรีวนนขึ้นมาเพื่อให้ชาวพุทธที่ฝ่ายธรรมที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะได้หยุดภารกิจการงานธรรมมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองสักหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่หยุดธรรมมหากินนี้มาให้กับการศึกษา ให้กับการปฏิบัติธรรมมาทำความเพียรกันในวันพระถ้าไม่มีการกำหนดวันพระขึ้นมาชาวพุทธก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาของการปฏิบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังอาจจะศึกษาบ้างปฏิบัติบ้าง แต่อาจจะใช้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติไม่มากเพราะจะมีเรื่องราวของการทำอมหารกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องราวของการที่จะต้องคอยดูแลญาติสนิทมิตรสหายกันก็เลยอาจจะทำให้ลืมเวลาที่จะให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมก็ได้ ดังนั้นผู้เจ้าจึงทรงกําหนดวันพระขึ้นมาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันควรจะมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลาว่างนี้มาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ถึงแม้จะมีการกําหนดวันพระขึ้นมา แต่โลกก็มักจะมีเหตุการณ์ที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนนี้เราหยุดทำงานกันในวันพระถือว่าวันพระเป็นวันสำคัญเราก็เลยหยุดทำงานกันในวันพระเพื่อที่จะได้เข้าวัดกันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันแต่ต่อมาความเจริญทางด้านวัตถุ ความเจริญทางด้านโลกธรรมคือราบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกขิ้นกายทำให้มีการท ร, รมาหากินติดต่อกับนานาประเทศซึ่งประเทศส่วนใหญ่เขาก็หยุดทำงานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ เขาไม่ได้หยุดทางานในวันพระกันทางประเทศไทยเราก็ในการที่จะทำาหากินให้สอดคล้องกับนานาประเทศก็เลยจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนวันพระก็เลยกลายเป็นวันทำงานไปเป็นส่วนใหญ่เพราะวันพระนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นวันใดวันหนึ่งเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะว่าใช้ปฏิทินทางจันทรคติวันขึ้นแลมวันโคจรของดวงจันทร์จึงทําให้วันพระนี้เคลื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละอาทิตย์ก็จนวันพระจะไม่ตรงกันเช่นอาทิตย์นี้มาตรงกับวันพุธอาทิตย์หน้าอาจจะตรงกับวันพุธหรือไม่ก็ถ้าตรงก็ตรงกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วต่อ น, นั้นก็จะเลื่อนไปเป็นวันพระรหัสเลื่อนไปเรื่อยๆอดังนั้นถ้าวันพระไปตรงกับวันที่ไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ศรัทธาญาติโยมที่ต้องทำงานก็ไม่สามารถที่จะมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติทําได้เพราะว่าต้องไปทำงาน่างนั้นถ้าชาวพุทธเรา ยังเห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมเพื่อการบุดพ้นจากความทุกข์ราพุดเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวันพระให้ตรงกับวันหยุดของเราเช่นถ้าเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ควรกำหนดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นั้นให้เป็นวันพระขึ้นมา ให้เป็นวันฟังเทศฟังธรรมให้เป็นวันปฏิบัติธรรมสำหรับเราขึ้นมาไม่จำเป็นจะต้องกำหนดตามวันพระตามทางปฏิทินซึ่งมันไม่มันไม่สะดวกมันไม่เป็นไปมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงก็คือเช่นวันนี้วันพระแต่เป็นวันทำงานหยุดงานไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำงานของเราเอง เราเป็นลูกจ้างเราก็ต้องทำตามที่เจ้าของบริษัทเขากําหนดเวลาของการทำงานก็ต้องไปทำงานก็จะไม่ได้มีวันที่จะได้มาวัดมาปฏิบัติธรรมกัน<ม>แล้วพอไปถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ตรงกับวันทรอีกก็เลยคิดว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาไม่ได้ แต่ความจริงการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้สามารถทําได้ทุกวันเพียงแต่ว่าจะต้องมีเวลาว่างเท่านั้นเองเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ผลขึ้นมานี้ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติเวลายาวพอสมควรถึงจะได้เกิดผลขึ้นมาไม่มากก็น้อยถ้า ปฏิบัติเพียงเล็ก ๆ, ๆน้อยๆวันลอครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้มันโอกาสที่จะได้ให้ผลเกิดขึ้นมานี้มันเป็นไปได้ยากมันก็เลยทำให้ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าอย่างไรบ้างเพราะได้แต่ศึกษาได้แต่ปฏิบัติเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆผลจึงไม่เกิดขึ้น รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงไม่ปรากฏขึ้นมาจึงทําให้ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมกันทําให้ไม่เกิดมีฉันทะวิริยะไม่มีความยินดีไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง โอกาสที่อันเลิศอันประเสริฐที่ได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่ได้สามารถให้คุณประโยชน์กับผู้ที่มาเกิดได้เลยถ้าตอนเองไม่ขวนขวายไม่มันศึกษาไม่มันปฏิบัติ โอกาสที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ก็จะเป็นไปได้ยากหรืออาจาจะไม่เป็นไปเลยก็ได้ดังนั้นผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเห็นคุณค่าของผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าจะช่วยปวดเรื่องความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปที่จะยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างอย่างถาวนก็จะต้องขวนขวายหาเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติทรมให้ได้เช่นถ้าวันนี้เป็นวันที่ ไม่ต้องไปทำงานอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทางานแล้วหรือว่ามีมีกิจการที่เราสามารถหยุดทางานได้ในวันนี้ก็ไม่ควรปล่อยเวลามีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการปฏิบัติธรรมไม่มีการทำความเพียรที่พระเจ้าสงสอนให้มันเจริญทำความเพียรกัน มีี่เรียกว่าสัมมาวายามโมความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องอะไรคือความเพียรที่ชอบที่ถูกต้องก็คือมีอยู่สี่คุณลักษณะด้วยกันข้อหนึ่งก็คือให้เพียรสร้างบุญและกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นมาอสองให้เพียรรักษาบุญกุศล ที่มีอยู่แล้วไม่ให้สูญหายไปสามให้เพียรละบาปอากุศลทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปและสี่เพียรป้องกันไม่ให้อบาปและอกุศลทั้งหลายที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรที่ชาวพุทธเราควรที่จะ ดำเนินกันตัวตาดูว่าตอนนี้เรามีบุญกมีกุศลอะไรบ้างรู ป, ปะมีบุญกุศลอะไรที่เรายังไม่มีบ้างแล้วมีแล้วยังมีไม่มากพอมีน้อยบุญกุศลก็เช่นการทําบุญทําทาน <c oughs> การทําความดีต่างๆ <c oughs> และการบําเพ็ญจิตตภาวนา <c oughs> การทําใจให้สงบ <c oughs> นี่คือบุญกุศลที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาให้มากให้ได้เต็มร้อยให้ได้ <c oughs> ถ้ายังมีแต่มีไม่มากก็ควรจะเพิ่มทำให้มากขึ้นไปทำทานถ้าเรายังสามารถทำเพิ่มได้มากกว่านี้ก็ควรที่จะทำเพิ่มขึ้นไปจนเต็มกาลังของเรา การภาวนาก็เช่นเดียวกันการบำเพ็ญกิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเราได้บำเพ็ญบ้างหรือยังได้ฝึกสติเพื่อที่จะได้มานั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบได้หรือยัง <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรียกว่าบุญและกุศล บุญกุศลที่เราควรที่จะม่นสร้างกันเพราะการได้ทำทานก็ดีทําบุญความทำความดีก็ดีการได้บําเพ็ญจิตตภาวนาก็ดีเป็นการสร้างความสุขให้กับใจ <c oughs> ใจที่ไม่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าขาดการทําความดีกันขาดการทําบุญทำทานขาดการ <c oughs> บําเพ็ญจิตตภาวนา ใจถึงหิวโหวยไปกับโลกธรรม ท, ทั้งสี่หิวโหวยไปกับลาบยศสระเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นไก่ที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วข่าวเป็นเหมือนกับเยื่ที่ติดอยู่ปลายเบ็ดที่จะทำให้ผู้ที่ไปเสพ ไปฮุบยื่นที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวผู้ที่ไปเสพกับความสุขจากราบยสศสรรเสินจากโูเกเสียงกิดล้นก็จะถูกลกกระทานี้ยึดครอบครองเอาไว้ทำให้ติดทำให้จะต้องคอยหาอยู่เรื่อย แล้วหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอและเวลาที่หาไม่ได้หรือเวลาสูญเสียสิ่งที่หาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จะเป็นเหตุให้จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะถ้าตราบใดยังมีความยินดี กับการแสวงหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสีนี้แล้วเวลาที่ร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความยินดีความอยากที่จะเสพโลกธรรมทั้งสีนี้ก็ยังฝังอยู่ในใจเป็นตัวที่จะพาให้ใจต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเกิดเท่าไรได้เสพเท่าไรก็ไม่เกิดความอิ่มความพอ แต่จะมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรู้ว่าเป็นภัยการที่เราไปเสพไปหาความสุขจากโลกธรรมนี้แสดงว่าเราถูกความหลงความไม่รู้ความจริงถึงถึ ง, ถ, งถึงโทษถึงพิษของโลกธรรมว่าเป็น กับดักของความทุกข์นี้ใายไปเสพกับโลกธรรมทั้งสี่นี้แล้วย่อมจะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนเจอกับความทุกข์แบบที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยตายจากพบนี้ก็ไปเกิดพบใหม่ก็ไปเสพใหม่แล้วก็เสพไปจนวันตายพ อ, อตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆ แต่ทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายของการที่จะต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบกันนี่คือสิ่งที่เราต้องใช้การบาเพ็ญทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาทดแทนมาดับความอยากในโลกธรรม <c oughs> ถ้าเราทำบุญทำทานอยู่เรื่อย ใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มใจพอใจความอยากที่จะหาความสุขจากโลกธรรมนี้ก็จะลดน้อยลงไป <c oughs> เพราะว่าใจมีความสุขจากการได้ทำบุญทำทานได้ทำความดีแล้วยิ่งถ้าได้บาเพ็ญ จ, จิตตภาวนา <c oughs> ทำใจให้สงบได้ใจยิ่งจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีก และเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของโลกกระรมที่ทรงตัดไว้ว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบชนะลถของโลกกระมของลาบยศรลเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนั่นเองถ้าลองได้สัมผัสกับลถของความสงบแล้วจะไม่หลง กับการที่จะไปหารุปของโลกธรรมต่อไป <c oughs> นี่คือบุญกุศลที่เราควรที่จะพยายามสร้างกันขึ้นมาบ่อยๆสร้างขึ้นมาให้มากๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพื่อจะได้สร้างความสุขให้กับใจ <c oughs> เพื่อที่ใจจะได้อยู่อย่าง น้อมเย็นเป็นสุขไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปกระทุกกับการแสวงหาโลกกระทคือลาบยศสารเสรินและรูปเสียงกิ่นรสที่เป็นของไม่เที่ยงแน่นอนไม่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมได้มีการเจริญลาบก็มีการเสื่อมลาบมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศ มีการสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็มีความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสหนีไม่พน้นถ้าลองไปเสพโลกธรรมทั้งสี่นี้แล้วจะต้องเจอกับความทุกข์เข้าวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเรามามาสร้างความดีกันมาทำความดีกัน มาทำบุญทำทานมาภาวนากันทำจิตใจให้สงบกันใจของเราก็จะไม่หิวโหวยไปกับโลกกระทความทุกข์ที่จะเกิดจากการไปสัมผัสกับโลกกระทก็จะไม่มี <c oughs> นี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งคือเพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น ถ้ามีแล้วก็สร้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้เต็มที่ให้เต็มร้อยเหมือนกับเทน้ําใส่แก้วถ้าเทเข้าไปน้ํายังไม่เต็มแก้วก็อย่าหยุดเทเทไปจนกว่าน้ําจะล้นแก้วแล้วค่อยหยุดเทได้การทําความดีการภาวนาทำบุญทําทานการภาวนานี่เป็นการเ ท, ท, ทความสุขเข้าสู่ใจ เ้เข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะล้นจากใจถึงจะหยุดได้พ <c oughs> อที่สองของการบำเพ็ญความเพียรก็คือให้รักษาบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วได้ทำแล้วไม่ให้สูญหายไปถ้าเราทำบุญทำทานได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็ควรอย่าให้มันหดหายไป ควรจะทำต่อไปควรจะรักษาระดับของการทำบุญทาทานไว้ไม่ให้ลดน้อยถอยลงไปยกเว้นว่ามันมีเหตุสุดวิสัยเช่นเท่าของเงินทองที่เราจะนำมากับการทำบุญทาทานนั้นหมดแล้วไม่มีอะไรจะให้แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญทาทานอย่างเต็มที่แล้วได้ทำอย่างเต็มรอยแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการทำบุญทาทาน เอาเวลาทั้งหมดไปให้กับการบำเพ็ญจิตตภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลทางจิตตภาวนาต่อไป mm. เพราะบุญกุศลทางจิตตภาวนานี้ยังอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยผลของการบำเพ็ญยังอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าการจะบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดผลนี้จำเป็นที่จะต้องมีเวลาและต้องมีเวลาต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนาน ไม่ใช่แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ผลที่จะได้รับนี้มันจะ ม, มักจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ผลจะเกิดก็ต้องบาเพ็ญกันแบบ <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนเช่นวันพระนี่เราออมาบาเพ็ญดูสักครั้งหนึ่งบาเพ็ญจิตตภาวนาทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ เริ่มต้นของวันใหม่คือตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงวันรุ่งขึ้น<ม>เอาเวลา24ชั่วโมงนี้มาให้กับการบาเพ็ญจิตตะภาวนาดู<ม>ถ้ามีการบาเพ็ญในลักษณะนี้<ม>โอกาสที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้จะมีมากดังนั้น ถ้าเรายังบำเพ็ญไม่มากพอถ้าเรายังทำเพียงเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยู่เราต้องพยายามเพิ่มการบำเพ็ญเพิ่มการเจริญสติเพิ่มการนั่งสมาธิให้มากขึ้นไปตามลำดับอย่างน้อยวันพระวันหนึ่งนี้ลองเอาเอาเวลาวันพระทั้งหมดนี้มาให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิอยู่ยังเอ่ยไม่ต้องทำก็ได้ เอาทีละอย่างการเจริญจิตการเจริญสมาธินี่มันเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องและจําเป็นที่จะต้องมีที่สถานที่ที่เอื้อต่อการบําเพ็ญคือต้องเป็นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้ถ้าสถานที่ไม่วิเวกไม่สงบไม่สงัดเป็นสถานที่ที่มี การกระทึกคลุกโคลมมีมีกิจกรรมอะไรต่างๆการจะทำจิตใจให้สงบนั้นย่อมเป็นไปได้ยากผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาจึงมักจะไปเปรีกวิเวกกันไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากบุคคลต่างๆไม่คลุกคลีกันด้วย พยายามอยู่ตามลำพังเพราะว่าถ้ามีการคุกคีกันก็จะมีการพูดคุยกันมีการทำกิจอะไรบางอย่างร่วมกันก็จะต้องใช้สังขารความคิดปรุงแต่งในการทำกิจกรรมต่างๆแทนที่จะเอาเวลามาหยุดความคิดปรุงแต่งกลับเอาเวลาไปเสริมความคิดปรุงแต่งขึ้นมาซิ การคุกคีกันจึงไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ที่ปรารถนาความสงบทางด้านจิตใจพระเจ้าทรงสอนว่าอย่าคุกคีกันอย่าสังคมกันให้อยู่กันตามลาพังอยู่ในสถานที่สงบส ง, บงัดที่เว้แล้วก็ให้รู้จักประมาณในการรับประทานอาหารอย่ารับประทานอาหารตามความอยาก มันจะรับประทานมากเกินไปแล้วมันจะทําให้เป็นนิวร์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้เพราะจะทําให้เกิดความเปรียดคลานเกิดความง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาจะทําให้ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญจิตภาวนาได้อย่างสะดวกสบายการรับประทานอาหารการบริโภคอาหารจึงควรจะรู้จักประมาณ คือรับประทานเพื่อระงับความหิวดับความหิวของร่างกายก็พออย่ารับประทานตามความอยากอย่ารับประทานให้อิ่มหยียงเต็มที่พ อ, อเวลารับประทานแล้วรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็ควรจะหยุดแล้วก็ดื่มน้ําแทนก็จะทําให้รู้สึกอิ่มท้องพ อ, อถ้ารับประทานแบบนี้แล้วนิวรณ์จะไม่ค่อยเกิด แล้วนอกจากการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็ต้องมันจเจริญสติตลอดเวลาสตินี้เป็นสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทำความเพียรให้มากถ้าขาดสติแล้วการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ย่อมไม่เกิดผลขึ้นมาอย่างแน่นอนการจะเกิดผลจากการบำเพ็ญจิตตภาวนานได้นี้ จำเป็นต้องมีวิธีการที่จะควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้คิดไปดเื่อยเปื่อยโดยเฉพาะคิดไปทางทางโลกกระทำเพราะถ้าคิดไปทางโลกธระทแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากอยากที่จะไปทํากิจที่เกี่ยวกับโลกกระทำทั้งหลายก็จะทําให้ไม่สามารถอยู่เปรี้ยเวกอยู่ได้านาน พอเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทางโลกเดี๋ยวความอยากก็จะเกิดขึ้นมาอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทานี่อยากจะไปพบกับคนนั้นอยากจะไปพบกับคนนี้อยากจะไปดูอยากจะไปฟังอะไรต่างๆขึ้นมาถ้าเกิดกามฉันทะขึ้นมาแล้วมันเป็นนิวรณ์ตัวใหญ่เป็นตัวที่จะดึงใจให้ออกจากการบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ จ <c oughs> ึงต้องคอยหมั่นเจริญสติอย่าเปิดช่องให้ใจไปคิดถึงเรื่องของโลกกระทมอย่าไปคิดถึงเรื่องคนนั่นคนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องการดูการฟังการริมรถ ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆ <c oughs> อย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆให้หยุดมันด้วยการเจริญสติโดยใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ง เป็นเครื่องผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานไปพระเจ้าทรงสอนในกติปัฏฐานสูตรนะให้ใช้กายกรตาสติให้ใช้ร่างกายเป็นที่ผูกจิตไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จิตคอยเฝ้าติดอยู่กับการเคลื่อนไหวของของร่างกายไม่ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้รู้อยู่กับการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวเช่นขณะที่อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้าไปล้างหน้าไปแปรงฟันไปอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือการเจริญสติฝึกสติเพื่อหยุดความคิดปุุงแต่เพื่อให้ใจนิ่งอยู่ตั้งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้ไปลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปในอนาคตไม่ให้ไปที่ใกล้ที่ไกลให้อยู่กับร่างกายกายกตาสติให้มีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอันนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเอาสติมาผูกใจไว้กับร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ยในท่าไหนอยู่ในอิริยาบทไหน อยู่ในท่านอนก็รู้ว่ากําลังอยู่ในท่านอนพอกําลังลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังลุกขึ้นมานั่งพอลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากําลังลุกขึ้นมายืนพอกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินจะไปทํากิตอะไรก็รู้ว่ากำลังจะไปทําจิตนั้นๆให้อยู่กับเรื่องของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนนั้นคนนี้วันนั้นวันนี้วันนี้เป็นวันอะไร ถ้าเราไม่มีธุระถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะให้กับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปส่งใจไปคิดถึงเรื่องต่างๆเลยปลูกใจให้อยู่กับร่างกายให้ได้ถ้าเราปลูกใจอยู่กับร่างกายได้เราก็จะมีสติที่จะคอยห้ามห้ามใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอเวลาที่เรามานั่งสมาธิ เราก็จะได้ทำใจให้สงบได้ง่ายเพาใจจะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งสมาธิพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกดูตรงจุดที่ลมสัมผัสเข้าออกก็อยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลมให้เพียงแต่เข้าดูเฉย เหมือนดูเด็กเนี่ยเด็กจะทำอะไรเราก็คอยเฝ้าดูเด็กไปอย่าให้คาดจากสายตาถ้าเด็กจะไปทำอะไรที่เป็นอันตรายเราก็ค่อยไปไปไปหยุดไปดึงกลับมาอันใดเรื่องของลม ก, ก็เช่นเดียวกันไม่ต้องบังคับด้วยการหายใจลึกๆหายใจยาวๆอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของการทำอานาปนสติ ะนาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติคื อ, ค, อ, ค, อคือการระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกให้รู้อยู่เฉยๆให้เฝ้าดูอยู่เฉยๆไม่ต้องการให้จิตทำงานนั่นเองให้จิตรู้อยู่เฉยๆจิตถึงจะสงบได้ถ้าจิตยังมีการทำงานยังมีการสั่งการให้ร่างกายหาย ใ, ใจลึกๆหาย ใ, ใจยาวๆอย่างนี้ใจก็จะสงบไม่ได้เพราะใจยังทางานอยู่ <c oughs> ใจต้องไม่ไป บ, บังคับลมเว ล, ลนั่งสมาธิถ้าต้องการให้ใจนิ่งเต็มที่เต็มร้อยการนั่งสมาธิให้ดูเฉยๆลมเข้าก็ดูว่ากําลงัง ล, ลมกําลังเข้าลมออกก็รู้ว่าลมกําลังออกถ้าลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นถ้าหายใจยาวก็รู้ว่ายาวถ้าลมลลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียด ไม่ต้องไปปรับลมไม่ต้องไปทำจากยาวให้มันละเอียดไม่ต้องไปทำจากสั้นให้มันยาวปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราเราไม่ได้หน้าที่ของเราไม่ได้มาเพื่อบงังมาควบคุมบังคับลมหน้าที่ของเรามาเพื่อบังคับใจควบคุมใจไม่ให้ไม่ให้ไปทำอะไรนั่นเองไม่ให้ไปคิดอะไรให้ให้รู้เฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยแม้ถ้ารู้สึกว่าลมหายไปก็ไม่ต้องตกใจ ลมอาจจะละเอียดจะไม่สามารถจับได้ก็ให้รู้กับความว่างไปหรือว่าตอนนี้ไม่มีลมให้จับก็รู้อยู่กับความว่างแล้วก็ดูคอยดูว่าใจไปคิดเรื่องอะไรหรือไม่ถ้าใจเริ่มคิดก็หยุดมันเริ่มวิตกครั้งนันก็หยุดมันไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลไม่ตายจากการภาวนา ไม่มีใครตายจากการธรราะพนะสติแล้วไม่ต้องกลัวลมมละเอียดจนเราไม่สามารถรับรู้ได้ก็ให้รู้กับความว่างของลมไปแล้วถ้าเราสามารถรู้อย่างจุดต่อเนื่องได้เดี๋ยวเดีย ว, ยวใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ใจก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางลมชั่วคราวใจก็สงบอยู่ตามลำพังอยู่สักแต่ว่ารู้อยู่กับความสงบ ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าจิตเข้าถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะจิตนิ่งแล้วจิตจะไม่ขยับเขยื่อนไปไหนมาไหนสติก็เพียงแต่ให้รู้เฉยๆไปเลยให้รู้ไว้เผื่อถ้ามีความคิดจะคิดขึ้นมาคิดอยากจะทำนู่นทานี่ก็อย่าเพิ่งปล่อยให้ไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาไปทำอะไรตอนที่จิตสงบนี้เป็นเวลาที่เราจะได้เสพความสุขอันเลิศอันประเสริฐ ของความสงบนี้พยายามเสพให้ได้นานที่สุดพยายามให้อยู่นิ่งเฉยๆให้ได้นานที่สุดจนกว่าจนกว่ากําลังของสติอ่อนลงแล้วกําลังของกิเลสความอยากที่จะไปทําอะไรมีมากขึ้นก็จะเริ่มทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปอยากจะอยู่ความสงบต่อไป เราก็ต้องใช้สติดูลมหายใจต่อไปใหม่เหมือนกับเริ่มทําใหม่อีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาก็ได้ถ้ามันเป็นความสุขที่ดีที่ประเสริฐไปทําอะไรก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้พอ เ, เจ็ดเริ่มคลายออกจากความสงบจะออกจากสมาธิเราพอดูลมได้เราก็กลับมาดูลมหายใจต่อไปทําอย่างนี้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งทำยิ่งมากเท่าไหร่สติก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นไปเลยเรื่อยต่อไปก็จะสามารถที่จะควบคุมใจให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมาอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการสร้างบูลสร้างกุศล จากการบําเพ็ญจิตถภาวนาขัาน้นต้นเราก็บําเพ็ญจิตถภาวนาเพื่อให้ใจสงบ <c oughs> แล้วขั้นต่อไปเราก็บาเพ็ญวิปั ส, สนาภาวนาวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพของความเป็นจริงจะรรู้แจ้งเห็นจริงในร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตา ในว่ารู้แจ้งเห็นจริงถ้าไปรู้ถ้าถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็จะคิดว่าร่างกายไม่ควรจะแกะ่ไม่ควรจะเจ็บไม่ควรจะตายอย่างนี้เรียกว่าหลงไม่ได้เห็นความจริงของาร่างกายแต่เห็นความจริงของาร่างกายต้องรู้ว่าร่างกายต้องแก่กเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้เราต้องมันศึกษามันสอนใจให้เห็นความจริงอันนี้ให้ได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ความไม่แก่ น, นี้เป็นไปไม่ได้ความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นไปไม่ได้ความไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้เมื่อถึงเวลาของมันอย่าไปฝืนธรรมชาติอย่าไปฝืนความจริงของร่างกาย เพราะการฝืนความจริงนี้เป็นการสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจสร้างวิภาวะตัณหาขึ้นมาเวลาแก่ก็ไม่อยากแก่พอไม่อยากแก่ใจก็จะทุกข์กับความแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายก็ไม่ยอมไม่ยอมตายไม่อยากตาย มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับการเจ็บไข้ได้ปวดแต่ถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของที่จะต้องแก่เจ็บตายอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีใครห้ามไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ร่างกายนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาต้องสอนใจให้เห็นและยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ถ้ายอมรับความจริงได้ไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บหรือเวลาร่างกายตายใจก็จะไม่เดือดร้อน ใจจะรู้สึกเฉยเฉยใจอยู่กับความสงบของสมาธิอยู่กับอุเบกขาวางเฉยได้แต่ถ้ารู้ความจริงยอมรับความจริงแต่ใจยังไม่เฉยก็สแสดงว่ากำลังของสมาธิยังมีไม่มากพอก็จะต้องไปเพิ่มกำลังของสมาธิต้องไปนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นให้มีอุเบกขา ให้มากขึ้นอยู่ในใจจนกระทั่งสามารถวางเฉยได้เวลาที่เจอความจริงของร่างกายเวลาที่เจอความแก่เวลาที่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เจอความตายนี้ถ้าใจวางเฉยได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับหลุดพ้นจากความทุกข์ของร่างกายได้หลุดพ้นความทุกข์จากของทุกขเวทนาได้ทุกขเวทนาก็คือ อาการเจ็บไข้อาการอาการทุกข์ทางร่างกายที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเป็นไข้เป็นโรคนี้ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้ายอมรับทุกขเวทนาว่าเป็นส่วนหนึ่งของของร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปห้ามมันไม่ได้ไปดับมันไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันหาย ไปอยากให้มันไม่เกิดมันก็จะไปสร้างวิพาวตันหาขึ้นมาสร้างความทุกข์ทรมารให้กับใจถ้้เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ มันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนตกแต่ดอกนี่เราไปบังคับมันไม่ได้อากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวเราไปสั่งมันไม่ได้มันก็มาไปมันก็มาไปไปไปมาม า, มาตามตามเหตุตามปัจจัยของมันเวทนาก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันมีสุ ข, ขเวทนามีทุก ข, ขเวทนา มีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาะมันก็สลับไปสลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยบางเวลาก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาบางเวลาก็เกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาบางเวลาก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาเกิดก็ทำอะไรไม่ได้จะทำให้มันหายไปจะสั่งให้มันหายมันก็ไม่หายมันก็ต้องรอเวลาของมัน ถ้าถึงเวลามันจะหายมันก็หายถ้ายังไม่ถึงเวลาที่มันจะหายมันก็ไม่หายดังนั้นเวลาที่มันไม่หายก็ต้องสอนใจให้อยู่กับมันไปฝึกใจด้วยการฝึกสมาธินี่ฝึกสมาธิให้ใจมีอุบเบกขาให้วางเฉยให้ได้แล้วก็ให้อยู่กับเวทนาทั้งสามอย่างให้ได้เวลาสุขกเวทนาก็เฉยเฉยอย่าไปอยากให้สุขไปนา น, าน ตาอยากให้สุขไปนานๆก็สร้างความทุกข์ใจได้เวลาที่ความสุขมันหมดไปก็อยากไปอยากให้มันสุขไปนานๆมันจะสุขนานหรือสุขไม่นานมันจะอยู่นานไม่นานก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรามันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปมันต้องมันต้องไปเพราะว่ามันต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ย น, นที่ให้คนให้เวทนาอย่างอื่นเข้ามาแทนที่เวทนาสามานี้มันจะสลับกันมาทำหน้าทำหน้าที่มาแสดงตัวพอทุกขเวทพอสุกเวทนาเสื่อมไปความไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นมาต่อมาได้แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นสุกเวทนาใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นทุกขเวทนาก็ได้มันแล้วแต่เหตุแปัจจัย ที่จะทำให้เวทนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาซึ่งมันเหตุปัจจัยเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไม่มีใครไปควบคุมสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ไม่มีใครควบคุมบังคับธรรมชาติได้ธรรมชาติเขาก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นไปอย่างนั้นเช่นอากาศหนาวมันก็มีเหตุปจัจจัยอากาศร้อนมันก็มีเหตุมีปัจจัย แต่ปัจจัยของร้อนหนาวก็อยู่ที่การโคจรของของโลกกับดวงอาทิตย์นี่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ถ้าอยู่ไกลมันก็จะหนาวจะเย็นถ้าอยู่ใกล้มันก็จะร้อนอันนี้มันอยู่ที่เรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของใครที่จะไปควบคุมบังคับกันได้แต่เราสามารถรักษาใจของเรา ไม่ให้ทุกข์ทรมานไปกับเวทนาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น ส, สุขเวทนาเราก็ทุกข์กับมันได้ถ้าเราไ ป, ไปอยากให้สุขเวทนาสุขไปนานๆแต่พอมันไม่สุขมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาหรือถ้าเราไม่อยากให้มีทุกขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็จะทำให้ใจเราทุกขขึ้นมาทรมานด้วยความอยากความอยากไม่ให้มีทุกขเวทนา ซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่ได้ดังั้นวิธีที่ดีก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเวทนาทั้งสอว่าเป็นเป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากสุขไปเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์อยากไม่สุขไม่ทุกข์กลับมาเป็นสุขหรือทุกข์สลับกันไปอย่างนี้จนวันตายนะตราบใดที่มีร่างกายอยู่เราก็จะต้องเจอกับสามเวทนานี้ตลอดเวลา และวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปมีความอยากกับเวทนาทั้งสา ม, อ, มอย่าไปอยากมีแล้วอย่าไปอยากไม่มีมันถ้ามันมาเราก็ต้องวางใจเฉยๆให้รับรู้เฉยๆไปเพียงอย่างเดียวการที่เราจะรับรู้เฉยๆได้เราก็ต้องมีสมาธินี่ถ้าใจเราไม่มีสมาธินี่ใจจะไม่นิ่งเฉย ใจจะถูกําหน้าของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเป็นตัวที่จะทำให้ใจต้องมีอาการต่างๆขึ้นมามีอาการรักมีอาการชังมีความกลัวขึ้นมาพอเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมาแล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือวิธีที่เราจะกาจัดความทุกข์ต่างๆแบบถาวรนี เราต้องใช้สองอย่างควบคู่กันสมาธิอย่างเดียวก็จะหยุดความทุกข์ได้ชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่ใจนิ่งสงบแต่พอใจออกจากความสงบมาใจก็จะไปอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไอยากเราถ้าเรามีปัญญามาสอนใจว่าความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจและความอยากนี้ก็ไม่ไปเปลี่ยนความจริงของอนิจจังของอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นของร่างกายหรือเป็นของเวทนามันก็เราก็ไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าอยากไปก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเปล่าๆโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงของของอนิจจังของอนัตตาของร่างกายหรือของเวทนาแต่อย่างใดเวทนามัน ก, ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามเหตเหุตามปัจจัยของมันร่างกายมันก็แก่เจ็บตายไปตามตามปัจจัยของมัน ถึงที่เราทําได้อย่างเดียวก็คือรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์กแบับอนิจจังกัแบบอนัตตาของของร่างกายหรือกับของเวทนาด้วยการวางเฉยจะวางเฉยได้ก็ต้องมีสติที่จะทําให้ใจนิ่งเฉยให้เป็นอุเบกขาให้ได้ถ้าเรามีทั้งสองส่วนประกอบกันมีทั้งสมาธิมีอุเบกขา แล้วก็มีทั้งปัญญาเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ปัญญาที่เราเรียกว่าภาวนามยปาัญญาปัญญาที่เราจะเอามาหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆของใจได้ส่วนปัญญาอีกสองสองชนิดคือสุตตะเมยปัญญากับจินตามยภาพัญญานี้ตามลำพังมันจะไม่มีกาลังพอที่จะ หยุดความอยากดับความทุกข์ได้มันเป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นของปัญญาเช่นสุตตะมัจญาปัญญาคือการปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระ อ, อริยสงสาวกเราก็จะได้เรียนรู้ว่าทุกของเราเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากและการที่จะหยุดความทุกข์นี้เราต้องทาอย่างไรเราก็ต้องหยุดความอยาก และการจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนี้เป็นความรู้ในเบื้องต้นที่เราต้องรู้ก่อนเมื่อรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องไปรักษาความรู้นี้ไว้ด้วยการคิดอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องไปไปสร้างมรรคเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์มาหยุดความอยากมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานรทานศีลภาวนา เราก็เอาความรู้ที่เราจดจำนี้มาคอยสอนใจให้ไปทำตามความรู้ที่เราได้เรียนรู้มันไปทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆมันรักษาศีลนำต้นที่ศีลห้าแล้วก็ขยับไปที่ศีลแปดขยับขึ้นไปแล้วก็ไปบาเพ็ญจิตตภาวนาวันหยุดวันพระวันที่ไม่ต้องทำงานก็ไปวัดไปหาที่วัดที่มีการปฏิบัติ ให้เราได้ปฏิบัติจิตตภาวนาได้เดินจยมโกมนั่งสมาธิได้พิจารณาปัญญาอันนี้เป็นหน้าที่ของสุตตะกับจินตามัยปัญญาแต่สุตตะกับจินตานี้ยังเป็นกิตปัญญาที่ไม่มีกำลังพอที่จะไประงับความอยากดับความทุกข์ได้เพราะยังไม่มีการปฏิบัติยังไม่มีการสร้างอุเบกขาขึ้นมาให้กับใจ ดังนั้นต้องมาทําบุญทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาทําบุญทําทานรักษาศีลก็เพื่อสนับสนุนการภาวนานี่ยแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่นกเเ็เอาเงินไปทําบุญทําบุญก็ไม่เสียเวลามากทำบุญปั๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้ก็จะได้มีเวลาไปบําเพ็ญรักษาศีลไปภาวนาได้ถ้าเอาเงินไปเที่ยวไปเด่มไป มันก็จะใช้เวลามากเวลาที่จะมาให้กับการภาวนาก็จะไม่มีแล้วพอเงินหมดก็ต้องไปหาเงินใหม่อมันก็จะติดอยู่ในวงจรของการหาเงินใช้เงินเพื่อเพื่อสร้างความสุขให้กับใจแบบชั่วคาวไปโอกาสที่จะมามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาภาวนานี้ก็จะไม่มีเลยถ้าไม่มีการรักษาศีลไม่มีการภาวนา การที่จะกำจัดความอยากดับความทุกข์แบบถาวรแบบให้มันสิ้สนซากนี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยือต้องมีการรักษาศีลเรื่องต้นศีลห้าแล้วก็ขยับไปศีลแปดเรามีศีลแปดก็จะมีเวลาให้กับการภาวนาได้มากขึ้นเมื่อมีการภาวนามีการเจริญสติ ก็จะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้แล้วก็ไปสอนใจให้เห็นความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับจัดการกับมันได้ถึงเดียวที่เราทำกับมันได้ก็คือรู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน อย่าไปจัด ก, การกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินทําอะไรไม่ได้แล้วยิ่งไปทํามันยิ่งทําให้เราเครียดยิ่งทําให้เราทุกข์มากขึ้นไปเปล่าๆดูเฉยๆไปดีกว่าเขาด่าเราก็ปล่อยเ้าด่าไปรู้ว่าเขาดา่เ า, ดาเราไปไม่ต้องไปพูดกันไปคุยกันไปโตเถียงกันเหนื่อยไปเป่าๆถ้าเขาอยากจะด่าเราทำยังไงก็ห้ามเขาไม่ให้ด่าเราไม่ได้วิธีที่ทําใจให้เราไม่ทุกข์ก็คือเฉยๆไปปล่อยเขาด่าไปเท่านั้นเองมันก็จบ เดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็หยุดด่อยนี่คือวิธีการของการกำจัดความทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปจากใจของเราเนี่ต้องมีการพยายามทำความเพียรกันอยู่เรื่อยๆเพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพียรรักษาบุญรักษากุศลที่เรามีอยู่แล้วไม่ให้หดหายไปเพียรละ ก, การกระทาบาปเช่นการรักษาศีล เนาการเสกอบายามุกต่างๆเรียละการเสกรูปเสียงจินรดสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นอกุศลถึงแม้จะไม่เป็นบาปการเสกรูปเสียงจินรดการเสรกโลกธรรมก็ถึงแม้จะไม่เป็นบาปแต่มันก็เป็นอกุศลมันไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้น จ, จากความทุกข์มันเป็นมันเป็นทางสู่การติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่เราก็ต้องพยายามละอย่าไปแสวงหา ความสุขจากโลกกระทำทั้งสี่อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามละให้ได้ละการกระทำบาปเพราะทำบาปแล้วจะทำให้ใจเราทุกข์าจะทำให้เราใจเราไปติดอยู่ในอาบายไม่มีวันที่จะหลุดจากการเยนว่ายตายเกิดได้นี่คือการละบาปอกุศลทั้งหลายถ้าเราถ้ายังมีในตัวเราอยู่ต้องพยายามละมันให้ได้ ถ้ายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยอยู่ก็ต้องเลิกถ้ายังดื่มโชลายาเมาก็ต้องเลิกถ้ายังเสพยังหาความสุขจากโลกกระทก็ต้องพยายามเลิกให้ได้ถ้าเลิกได้แล้วก็อยากกลับไปทำอีกถ้าเลิกดื่มได้แล้วก็อยากกลับไปดื่มอีกถ้าเลิกทำบาปดได้ก็อยากกลับไปทำอีกถ้าเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็อย่าไปอย่าไปเสพอีกนี่คือ ความเพียงสี่สถานด้วยกันที่จะทำให้จิตใจสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปสามารถทำใจให้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกเป็นเพียงแต่ผู้ที่บอกทางให้กับเราเท่านั้นเองแต่ท่านปฏิบัติให้กับเราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองถ้าเราปฏิบัติเองด้วย ด้วยสัมมาวายามุด้วยความเพียรชอบเราก็จะหลุดพ้นจากความเพียนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องสิ่งที่เราควรที่จะเอามาวิเคราะห์มาพิจารณากันในวันพระแล้วนําเอาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาตามลําดับอย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยากทาวาเิวาหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวาอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกะ ป, กปิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพปุเรนตูสังกปา จันโทปนะราโสยทามนิจดีอลรโสยทาสัพพิติยเววาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปะจายิโน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 เรื่องอย่างอื่นต้องทำต่อดงนั้นถ้าอยากจะถามอะไรถามในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับชมทางเฟ c บ b o o ห้าร้อยสามสิบเก้าท่านทาง YouTube พระอาจารย์สามร้อยสิบเอ็ดท่าน ทางช่องดรว c ชาแนลเจ็ดสิบท่านครับเ o าสองท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสสิบท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันเจ็สิบสองท่านเจ้าค่ะเชิญถามได้เลยมีอะไรก็ถามได้เจ้าค่ะมีคำถามฝากถามมาเจ้าค่ะ ตอนที่ไม่ได้ทำงานมาสามปีทำให้ความจำและความเร็วในการคิดช้าลงระหว่างที่ขับรถกอล์ฟรับใช้องค์หลวงพ่อแล้วนับญาติโยมที่มาใส่บาทไปด้วยเพื่อฝึกสมองฝึกสติจะเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่ในการระหว่างรับใช้หลวงพ่อเพราะเห็นหลวงพ่อนับญาติโยมไปด้วยทักทายญาติโยมไปด้วยแต่การนับจานวนไม่เคยผิดพลาดเลยครับ ก็ต้องมีสตินะถึงจะทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องถ้าเผลอแวบหนึ่งไปมันไปแล้วมันก็จำไม่ได้เลาพยายามฝึกสติอยู่บ่อยๆฝึกสติด้วยการทำความดีต่างๆชค่ะมีคำถามจากนากุติเจ้าค่ะตามความเชื่อที่ว่า ควรทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเมื่อครบห้าสิบวันหนึ่งร้อยวันนั้นมีเหตุผลอะไรหรือไม่คะเรื่องที่ว่ามีพระยายมราชที่เป็นเทพตัดสินบัญชีบุญบาปของผู้ตายนี้เป็นความจริงในหลักพุทธศาสนาจริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกผู้ตายนี้มีบุญกับบาปเท่งนั้นนะเป็นผู้ที่จะควบคุมให้ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ไปอบายหรือไปสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็บาปก็จะดึงไปสวรรค์ไอเดึกไปอบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปสวรรค์ส่วนทำบุญกี่วันนั้นมันไม่เกี่ยวกันหละมันแล้วแต่สะดวกทําบุญอุทิศได้ทุกวันตั้งแต่คนตายไปแล้ววันนี้ปั๊บก็พรุ่งนี้ก็ทําบุญอุทิศไปให้เขาได้เลยแต่เขาจะรับหรือไม่รับนี้ก็ก็อ ย, อยู่กับบุญกับบาปของเขาเนี่นะ ถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่ต้องมาสายรับบุญจากเราถ้าเขามีบาปมากเขาก็ต้องไปใช้บาปไม่มีความสามารถนาที่มันจะรับมารับบุญได้จะมีพวกที่มารับรับบุญได้พวกเดียวก็คือพวกขอทานทางวิญญาณทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตเท่านั้นเองแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วเขาจะไปเป็นเปรตหรือไม่เราก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันถ้าเรารักเขาห่วงเขาก็ทําบุญไปแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขาไป ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับนั่นก็เป็นเรื่องของเขาอีกทีที่เราถ้าเราไม่มียาอย่างทราบเราก็จะไม่รู้เจ้าค่ะคําถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะทำมานุปัสสนาต้องกําหนดที่อะไรครับมนุปัสสนาคือการศึกษาศึกษาความจริงของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเนทะ่านั้นเป็นของชั่วคราว เป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้ให้มันเที่ยงไม่ได้ควบคุมให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการพัาดพาคจากการไปเป็นธรรมดาอันนี้คือวิปัสสนาเห็นความจริงของชีวิตของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นของชั่วคราวเจ้าค่ะคำถามจากน้กกุฏิเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระาจารย์ บรรดาของโยมเส้นเลือดในสมองแตกเป็นผู้ป่วยติดเตียงพอโต้ตอบได้บ้างครั้งก็มีหลงถ้าอยากให้แม่ได้บุญด้วยเงินของแม่ซึ่งหนูสามารถนำไป ทำไว้ขาดแตกความต้องการแม่ที่ยังไม่ได้สั่งมาแต่ถ้าเราถามนำว่าจะนาจะทำบุญนั้นไหมนีไม่ไหมแล้วให้ท่านเลือกท่านจะได้บุญไหมคะได้ถ้าท่านเลือกจะทำมันก็ท่านก็ยังใช้ความคิดของท่านเป็นคนสั่งอยู่แต่ถ้าเราบอกเอาเงินนี้ไปทาบุญให้แม่แล้วนะาเงี้ยเขาจะไม่ได้บุญก่อนยาไปทำบุญถามแม่ก่อนว่าแม่เนี่ย างานนี้แม่จะทําอะไรดีแม่จะไปทําบุญหรือแม่จะเก็บเอาไว้ถ้าแม่บอกไปทําบุญเนี่ยแม่ก็จะได้บุญเจ้าค่ะคําถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะคําว่าโปร่งคําว่าปล่อยวางความหมายคืออะไรและแตกต่างกันจริงกันไหมคะก็ปร่งก็คือความบงใจไงวางใจเราให้ยอมรับความจริง กาว่าปรงก็ยอมรับปรงอ น, นิจจังก็ยอมรับว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวเพราะมันปรงได้มันก็วางได้มันก็ปล่อยวางมีคำถามจากคุณทีคัฒนาคำถามเจ้าค่ะข้าพเจ้ามีเจตํำนง ว่าจะไปบวชปรุงผมเนื่องจากเจ็บป่วยในกุมภาพันหน้าเพื่อที่ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรขอให้สมปรารถนาที่ตั้งใจไว้ขอการถามเจ้าค่ะอานิสงส์ของการบวชปรุงผมเป็นอย่างไรเจ้าคะขอให้พระอาจารย์มีทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะคือการบวชปรุงผมหรือไม่ปรุงผมนี่มันไม่ค่อยเป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่การบวชนี่เพื่อมาลา ก, กิเลย พอละา ก, การกระทําบาปทํากรรมถ้าปลงผมแล้วยังไม่ละ ก, กิเลสยังไม่ละบาปกรรมก็ปลงไปก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรอันนี้อยู่ที่ร่างกายการปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่จิตใจให้เรามาลดละความก า, การกระทําความเชื่อลดละ ก, กิเลสตัณหาให้มันหมดไปจากใจจะปลงผมก็ได้จะไม่ปลงก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันแต่ที่เขาปลงก็เพราะว่า มันเป็นเรื่องของธรรมเนียมของกลุ่มคนที่เราไปอยู่ด้วยเช่นถ้าอยากจะมาเป็นพระพระเขาโกนผมกันเราจะมาบวชเป็นพระเราก็ต้องโกนตามเขาไปเท่านั้นแต่ที่พระโกนก็เพราะว่ามันจะได้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องมาคอยดูแลเรื่องผมกันเราดูเรียบร้อยคนเห็นแล้วแล้วก็ดูเหมือนกันทุกคนถ้าปล่อยไว้ผมเดี๋ยวคนนึงก็ไว้ผมยาวว่างไว้ผมสั้นบ้างไว้หนวดไว้คาวบ้างมันก็จะดูไม่เรียบร้อย ให้เจ้า ก, ก็เลยตัดปัญหามาโกนให้หมดไปทุกเดือนเดือนโกนละหนึ่งครั้งผมที่มีอยู่บนศรีศรษะที่ใบหน้าโกนให้หมดผมขนคิ้วขนหนวดอะไรผมให้โกนให้มันหมดไปจะได้ดูสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นละละอัตตาตัวตนละกิเลสไปด้วยเพราะคนเราบังแก่ไปไปยึดติดกับผมไปเือนเป็นของเราตัวเราเราจะสวยไม่สวยอยู่ที่ผมของเราเนี่ยมันก็เป็นกิเลส แล้วมาบวชนี่เรามาลา ก, กิเลสลเราก็ตัดโกนมันไปเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราวความจริงเอีแต่ร เ, เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราตัวเราคือจิตเราจะสวยไม่สวยอยู่ที่การรักษาศีลไม่รักษาศีลมากกว่าถ้าใจเรารักษาศีลได้ใจเราก็จะเป็นใจที่สวยงามน่ารักใครๆก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วยถึงแม้หน้าตาร่างกายจะไม่หล่อเราไม่สวยงามก็ตาม แต่เขาไม่รังเกียจแต่คนที่สวยงามห ล, อล่อเหลาทางร่างกายแต่ไม่มีสีเนี่ย ب, เป็นคนน่าเกียดนะถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นคนที่โกงเงี้ยคนที่โกหกเงี้ยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่มีใครอยากจะคล้ค้าสมาคมด้วยเน้นงานทางร่างกายนี้พระเจ้าเลยบอกว่าไม่ต้องไปกังวลกับมันมันไม่ใช่ตัวเราของเราหาวิธีที่ดูแลมันง่ายที่สุดเวลาง่ายสุดก็คือโกนผมก็ได้ไม่ต้องมาคอยหวีคอยสักคอยอะไรต่างๆ นเดี๋ยวการจะเข้าพิธีได้พระต้องไปทำผมก่อนยุ่งยากกันคำถามจากยูทูบเจ้าค่ะจากคุณสิริพัฒกราบพระอาจารย์ค่ะโยมจะนั่งสมาธิตั้งเวลาวันละสามสิบนาที แต่มีบ่อยครั้งที่นั่งและเกิดความหมงุดหงิดความโกโรธโมโหขึ้นมาทําให้อยากเลิกนั่งสมาธิแต่โยมก็อดทนนั่งจนครบเวลาไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ่ะเราจะขาดสติสติมีกําลังน้อยเราฝึกสติน้อยเราต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเวลามานั่งสมาธิเราจะคุมใจให้นั่งอยู่เฉยๆได้ถ้าไม่มีสตินั่งเดี๋ยวเดียวกิเลสมันก็จะเกิดอาการขึ้นมา เกิดอาการโกรธเกิดอาการอยากจะไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมามันก็จะทำให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้เช้าค่ะคำถามจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณสุวัสด์กราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ในเมตตาจิตช่วยแนะนำในแนวทางการนั่งสมาธิครับผมยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ okay. ใครอยากจะถามไหมเข้ามาได้เลยคุณตายอไมโครโฟนให้คุณตายน้อมกราบนะ้ำมัสการค่ะพระอาจารย์ลูกมีเรื่องจะกราบเรียนถามว่ า, าถ้าเราโกรธกับลูกนะคะแล้วเรามีจิตใจโอเคเราไม่เราไม่โกรธลูกละเราพยายามเมตตาเขา แต่ทำไมอุเบกขามันไม่ตามมาคะพระอาจารย์เราแบบวางเฉยกับการกระทาของเขาไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดกับเขาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีสติคอยหยุดใจหยุดใจเราใจเรายังมีกำลังที่จะไปไม่พอใจเขาอยู่นั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอุเบกขาแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาจริงๆมันจะเฉย ลูกจะดีจะช่วยก็นเรื่องของมันไปช่วยมันได้ก็ช่วยมันไปสอนได้ก็สอนไปาสอนไม่ได้ก็ไม่โกรธเขาไม่มีอะไรกับเขาเฉยๆกันถือว่าเป็นกรรมของเขาไปแลแ<ต>้วฝึกอุเบกขาจะมีต้องมีจากการนั่งสมาธิให้เข้าอัปปนาสมาธิให้ได้ตรงนั้นมันยังไม่เป็นอุเบกขาอ๋อแต่ถ้าเราวางเฉยแบบ โ, โกรธมันก็ยังไม่ใช่อุเบกขาใช่ไหมคะอาจารย์ก็้ายั ง, งถ้ายังกลับมาโกรธได้ก็แสดงว่าไม่ใช่อุเบกขาจรยยิงอแต่มันจะไม่มาคู่กันใช่ไหมคะถ้าแบบว่าเรามีเมตตาต่อคนนี้แล้วเราก็จะต้องอุเบกขาตามมันก็ตอนนั้นมันก็จะไม่ไม่โกรธเขาได้ไม่เกลียดเขาได้แต่เดี๋ยวกเกิดเวลาเผลอขึ้นมาไปมองเขายังไปนึกอะไรขึ้นมาแล้วอาจจะทําให้โกรธขึ้นมาใหม่ก็ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้อง ก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆถ้าเกิดเกิดอาการโกรธขึ้นมาวางเฉยไม่ได้ก็พูดโธพูทโธไปเลยตอนนั้นเดี๋ยวมันก็เฉยได้ขอบคุณพระคุณค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะมีคำถามเข้ามาจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณมานพแสงแก้วอานิสงส์การเข้าอุโบสถทมวัดเช้าเย็นจะได้อานิสงส์อะไรบ้างครับ ก็เป็นการฝึกสติเนะครับฝึกสติคอยควบคุมความคิดให้อยู่กับการสวดมนต์ใจจะได้ไม่นั่งคิดถึงโลกธรรมทีมค่คิดถึงลาบยศสรรเสริญที่ถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทําให้ใจมีความว่างเย็นนงมากกว่าการที่ไม่ได้ทำเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นแล้วถ้านั่งสมาธิต่อได้ก็จะได้ได้ฝึกสมาธิไปในตัวด้วย กเการเจริญภาวนามีคาถามออยู่ชเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไมคะอาครับ my name no. i s สกุส coming from Singapore um, uh, I know it is maybe a bit uh, too much but h uh, is can I can I ask for some direction uh, from อ a simple simple one h a t h how to improve my uh, my progress Can you speak louder, please? A bit louder. Um, What would you like to know? I would just like to uh, uh, have some guidance from you, Chan, uh, on how to improve and uh, to progress on my uh, on my path. Basically, you need mindfulness. You have to need, you have to practice a lot of mindfulness. You have to take control of your thoughts. You, know. you should stop your thoughts first. Then d i r e c t y o u r thought t h i n g i n the In the right way, thinking about the truth, and then your your life will be moving in the right direction. And your thought is the one that leads your life. You, if you think gambling is good, then it will lead you to g a m b l e If you think drinking is good, it will lead you to drinking. But if you think drinking is bad, gambling is bad, then it will stop you from doing those things. But if you don't have enough mindfulness, you won't be able to stop these thoughts. So you should try, t h e practice mindfulness by either using a mantra such as "buto buto." Just keep reciting "buto buto" to prevent your mind from thinking too much. Or you can concentrate or focus on your body, watch your body, every movement of your body. Try to see that your, what is your body is doing at this time. And don't go think about other thing. s Then you can more less start to be able to control your thought, start to have mindfulness. Thank you, a t a h n Okay. If you cannot, you just follow the teaching of the Buddha. That like practice charity and practice morality, keep the precepts, and practice meditation as much as you can. This is the the right direction to go. <Okay. S 2> มีคำถามจาก YouTube เจ้าค่ะจาก PK แฟนชายขายดีราคาถูกกราบน้นบัพรสการพระอาจารย์ครับผมดูลมหายใจอยู่บ่อยๆที่นึกได้ตลอดทั้งวันทาไมจิตเห็นแต่ความทุกข์ของการอยู่ก็ยังไม่ได้หยุดความคิดยังปล่อยให้มันคิดอยู่ ต้องฝึกสติแบบมาให้มันคิดไปก่อนให้จิตนิ่งให้จิตว่างจิตเย็นตอนนี้ยังอย่าไปเอย่าไปปล่อยให้ไปคิดพอคิดแล้วมันก็คิดได้ร้อยแปดคิดให้สุขก็ได้คิดให้ทุกข์ก็ได้ส่วนใหญ่มันก็จะมักจะคิดแล้วให้เราทุกข์ไปหรอกเราต้องฝึกหยุดความคิดเหล่านี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยสอนให้มันไปคิดไปในทางที่ทําให้เราไม่ไม่ทุกข์คือต้องคิดว่าเรามันทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นของที่มันเป็นอย่างนี้เราไป ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไปอยากจะไปบังคับมันแล้วมันทำไม่ได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจเลยคำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะขอโอกาสพระาจารผมอายุ44ปีมีลูกหนึ่งคนมีความคิดออกจากงานในช่วงปีหน้าเพื่อมาปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นกว่าตอนแก่ตัวแล้วค่อยมาปฏิบัติแต่ครอบ กัวคัดคานกัวการตัดสินใจผิดในการใช้ชีวิตต่อไปในภายหน้าจะประสบปัญหาการเงินผมควรตัดสินใจอย่างไรดีครับเรื่องของการเงิ น, นมันเป็นเรื่องของไม่แน่นอนบางคนทํางานจนวันตายเงินก็ไม่พอใช้ก็ไงเพราะฉะนั้นมันอย่าไปกังวลกับเรื่องเงินทองมากเกินไป<ม>แต่ถ้าจะเลือกไปทางที่พระเจ้าสอนให้ไปมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะ ไไเ ค, าา ค, คำถามจากยูทูบเจ้าค่ะจากคุณหนึ่งหรือไทยบัวหลวงกราบนบมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่เราทําบุญทําทานสวดมนต์นั่งสมาธิเราสามารถส่งบุญให้กับพ่อแม่ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่คะท่านจะได้รับบุญไหมคะคือบุญคือความสุขใจฮะ ที่เราต้องส่งบุญไปให้กับคนตายเพราะว่าเขาทำเองไม่ได้เราก็ต้องเอาบุญของเราแบ่งให้เขาไปแต่แบ่งได้นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าสหรับคนเป็นเราชวนเข้าไปนั่งไหว้พระสวดมนต์กับเราดีกว่าเขาจะได้บุญเต็มร้อยเลยได้ความสุขเต็มร้อยคำถามต่อไปจากคุณณ ก, กริด กลับขอการพระอาจารย์สุชาติครับโปรดเมตตาอธิบายวิธีการและสักกายทิฏฐิให้ลูกด้วยครับขอบพระคุณครับก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ทำให้เราม า, มาเล่นด้วยเหมือนกับตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ซื้อของเล่นมาให้เราเล่นนันก็เป็นของเล่นอย่างหนึ่งร่างกายที่เราใช้พาเราไปทำอะไรต่างๆแวันหนึ่งมันก็ต้องแก่เจ็บตายไป เราก็ต้องรู้รู้ความจริงอันนี้แล้วก็อย่าไปปฏิเสธความจริงอันนี้รู้ว่าเราไม่ได้ตายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเราเป็นคนใช้ใช้ร่างกายใช้ของเล่นร่างกายเหมือนของเล่นของเล่นที่เราได้มาเราใช้ไปเล่นไปทักพักเดียวมันก็เสียเดียวมันก็พังไปร่างกายก็เหมือนกันเป็นเหมือนของเล่นอันนไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาที่มันแก่เจ็บตายไป ถามต่อไปจากคุณสมศักดิ์กราบเรียนถามครับการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทําให้พ้นทุกข์ไหมครับก็ต้องไปเจอเจ้ากรรมนายเวรแล้วขอโทษเขาสิเช่นเขาเป็นเจ้าหนี้เราแล้วพอขอโทษเขาบอกว่าผมไม่มีเงินจ่ายช่วยช่วยยกหนี้ให้ผมหน่อยถ้าก็ยกหนี้ให้มันก็หมดเวรหมดกรรมเลยถ้าก็ไม่ยกก็ต้องต้องใช้เขาต่อไป อยู่ที่ว่าเขาจะายกให้เราหรือไม่ทานไปขออภัยเขาแล้วไม่ได้นครเขาบอกเขาจะให้อภัยเสมอไปบางคนเขาบอกจะต้องเอาให้ได้เป็นนี้ฉันนั้นจะมาขออภัยได้ยงไงอันนี้ก็แล้วแต่เจ้ากรรมนายเวนว่าเขามีเมตตาหรือไม่มีเมตตาถ้าเขามีเมตตาไม่มีจ่ายก็ไม่เป็นไรไปให้อภัยไปยกเลิกกันไปมันก็หมดเวนหมดกรรมกันไปแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้ต้องใช้กรรมนี่ต้องใช้ เ, เวนต้องใช้ก็ต้องใช้ไปไนดะ้ แม้แต่พระอนนี้ก็ยังต้องใช้ใช้นี่ใช้กรรมพระโมคคั ล, ลั้นก็ไปมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาฆ่าท่านก็ต้องยอมให้เขาฆ่ามันถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันได้ คำถามต่อไปจากคุณกรวิวัตเจ้าค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะการได้สมาธิคือต้องมีอาการตกหลุมถึงจะได้สมาธิเท่านั้นหรือเปล่าเจ้าคะถ้านั่งไปเกิดสงบถือว่าเป็นสมาธิหรือไม่เจ้าคะเพราะบางครั้งนั่งไปบ้างก็ตกหลุมและบางครั้งก็รู้สึกสงบเฉยๆเจ้าค่ะได้ทั้งสองอย่างขอให้มันสงบกันแล้วกันบางทีก็ตกหลุมบางทีก็ไม่ตกหลุมก็ได้ เจ้าค่ะคำถามจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจากคุณทิติชยาพระอาจารย์ค่ะหากเรามีปัญหาร่างกายแต่คนภายนอกเห็นว่าน่าสงสารขอให้หายไวๆแต่ใจตนไม่ได้บอกว่าอยากหายไวๆเพียงแต่ต้องใช้ร่างกายที่เหลือให้เป็นเลยมองว่า หายไวๆเป็นความอยากของใจตนใหม่เจ้าคะเลยคิดว่าเกิดอะไรก็เกิดเลยไม่ห่วงร่างกายความเจ็บปวดจึงหายเร็วคือพย า, ยามไม่อยากหายถ้าอยากหายจะหายช้าคิดเพียงในใจไม่กล้าพูดออกมาก็เรารู้สำหรับตัวเราไปกันแล้วกันคนอื่นก็ไม่รู้ ก, รก็ไม่เป็นไรเรารู้จากวิธีจัดการกับร่างกายของเราก็ดีแล้วถ้าเราไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปเครียดกับมัน อาการเจ็บป่วยของร่างกายบางทีมันก็จะหายหายง่ายกว่าเร็วกว่าคำถามจากทางช่องด r V c h a n ร e วีชาแนลจ้าค่ะจากคุณพ่อแม่กราบนระส ก, การพระอาจารย์ถ้าเราไม่มีเงินจะบวชเป็นภิกษุได้ไหมครับเพราะสมัยนี้การจะบวชได้ต้องใช้ปัจจัยเยอะมากครับไม่มากหรอกก็มีแต่มีบริขารแปดเท่านั้นเองมีบาทมีผ้าสามผืน ก็บวชได้แนละ้วถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจจะบวชแล้วมีมีนิสัยที่เหมาะสมบางทีอุปชาเขาก็จะหาให้เองถ้าเราไม่มีไม่ต้องกังวลแต่ถ้าจะบวชแบบตามธรรมเนียมต้องจัดงานเลี้ยงเชิญแขกมาเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ ก, ก็ต้องหมดเงนินเยอะแต่ถ้าบวชแบบไม่มีงานเลี้ยงมันก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทาไมเราบวชเราก็ไม่มีงานเลี้ยงเราไม่บอกใครไม่เชิญใครเราก็เพียงแต่หา หาผ้าหาบาทหาอะไรมาบาทก็พอดีมีพระเขาให้มา <c oughs> ไปอยู่วัดก่อนบวชผ้าเขาอะไรมีของเก่าให้ใช้แล้วก็ใช้ของเก่าบวชได้ไม่เป็นไรมันก็ไม่ต้องใช้สตังอะไร่ะไรไม่จำเป็นถ้าไม่มีเงินก็บวชได้ก็รู้จักวิธี <c oughs> เจ้าค่ะคำถามจากคุณพจนันขอถามพระอาจารย์ค่ะคนที่ยืมเงินเราไปแล้วไม่คืนเป็นบาปไหมคะแล้วเขาไม่คืนเราใช่เป็นกรรมที่เราไปติดเขาแต่ชาติก่อนใช่หรือเปล่าคะถ้ามึงยืมเงินเขาแล้ไม่คืนเขาก็บาปมืึงถ้าเท่าขโมยเงินเข้าไปส่ว น, เ ป, นเป็นเพราะว่าเราเคยไปยขโมยเงินเขายืมเงินเข้ามาก่อนใช่ไหม น, นี่ไม่รู้ต้องไม่ต้องมียานอย่างทราบถึงจะรู้ได้ คำถามจากคุณวิชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์เราสามารถอุทิศบุญให้กับสัตว์ที่เรากินเป็นอาหารได้หรือไม่ครับได้ถ้ามันตายไปแล้วเราอยากจะอุทิศบุญให้เขาไปก็ทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้เขาได้คำถามยังไม่มีเข้ามาเจ้าคะ่ะก็เวลาก็หมดพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ